พระธรรมเทศนาแผ่นที่65าลำดับที่23โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่20สิงหาคม2557มีชื่อเรื่องว่าหาที่วิเวกให้กับตนเองวันนี้เป็นวันที่ ยี่สิบสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดวันนี้หลวงพ่อจะได้เดินทางลงทาธุระาสนกิจที่กรุงเทพคงจะเป็นวันสองวันแต่ที่ยังไงขอให้ผู้อยู่ในวัดอยู่ในความสงบตั้งอกตั้งใจภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเก่า ต้องเป็นพระผีเลี้ยงของพระใหม่ตรงไหนหรือว่าพระเก่ากหากฎเกณฑ์ไม่ได้ก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นพระเก่าก็ต้องเป็นหลักอันไหนควรไม่ควรอย่างไรที่ได้ศึกษาที่หลวงพ่อได้บอกกล่าวแนะนำไปมากต่อมากหรือหากว่ามันไม่เข้าเข้าไม่ถึง เริ่มไม่ใส่ใจออยู่ไปชังกระตายอย่างนั้นมันก็ใช้ไม่ได้นนะเหมือนกันนะเหมือนจะอยู่วัดหลวงพ่อนานเหมือนไอ้ชนีที่มันร้องอยู่นนะี่นมันจะอยู่นานกี่ปีมันก็เป็นชนีอย่างเก่าเ อ, ม, อ ม, มันไม่พัฒนาให้เป็นคนขึ้นมาได้สิ่งเหล่านี้ก็ฝากไว้กับพวกเราท่านทั้งหลายพระทุกองค์ที่เขามาอยู่เพื่อการศึกษา เมื่อทำธุรกิจธุระเสร็จแล้วเราต้องหลบปลีกปลีกตัวทำธุระของตนเองหาภาวนาเพราะเราบวชเข้ามาเนี่ยบวชมาเพื่ออะไรบวชมาเพื่อหาภาวนาไม่ใช่มามั่วสมคุยกันเรื่องัะเพเหละสิ่งเหล่านี้พระเก่าต้องแนะนำ พระเก่าก็ไม่กล้าเกรงใจไม่กล้าพูดแสดงว่าเป็นผู้นำไม่ได้ต่อไปในอนาคตเลาะแหละล้มเหลวโลกเล็กสิ่งเหล่านี้ฝากไว้กับพวกเราทุกท่านผู้ที่เข้ามาศึกษาในเมื่อผิดเราต้องกล้าบอกกล้าแนะนำ ทำให้ไม่ถูกกรรมตามกฎหรือว่าตัวเองพาทำผิดกฎซะเองอันนั้นก็ไม่รู้จะบอกเขาได้อย่างไรเพราะทาตัวเองทำผิดกฎซะเองนี่แหละอันนี้ก็คือบอกกับทุกคนผู้เข้ามาอยู่ในวงการพระพุทธศาสนาเป็นพระกรรมฐานแนวแถวปฏิปทาของ พ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราต้องสำรวมกายวาจาของตนเองในหลักธรรมคำสอนท่านว่าไม่ให้คุกคลีด้วยหมู่คณะในเมื่อไม่คุกคลีด้วยหมู่คณะอะกันปลีกตัวเป็นกายยวิเวกกายยวิเวกก็คือหาที่หลบสงบกาย ไม่คุกคลีวุ่นวายกับหมู่พวกเพื่อนกับใครๆหาที่มุมหลบเ พ, เพื่อหาความสงบถ้าตัวเองพอตัวแล้วไม่เป็นไร้าข้าพเจ้าพอตัวแล้วนะอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ทึ่อยังไงก็ต้องรักษากฎกติกาเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับพระต่อไปต่อไปภายภาคหน้าไม่ใช่ว่าตัวเองหมด ความสงสัยแล้วก็จะทำอะไรก็ได้ผลี่สุดมันจะเป็นกฎเกณฑ์ให้น้องๆได้อย่างไรอันนี้เมื่อเราเข้ามาเราก็ต้องศึกษาเพราะหลักธรรมคาสอนของที่พันประกาศได้ไม่ใช่คาสอนของเราเป็นพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สืบทอดกันมาเพราะนั้นเราก็ต้องสืบทอดแนวนำแนวปฏิปทา ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์คือนทำรมความสอนของพระพุทธเจ้ามายึดแล้วปฏิบัติให้เป็นแนวแถวที่เป็นกฎเกณฑ์เหมือนกนรารรักษาน้ำที่ใสสะอาดไว้อย่างนั้นใครต่อไปใครก็ได้อยู่ได้กินได้เข้ามาพึ่งพาอาศัยเราก็ได้แบ่งแจกแบ่ ง, บงให้กับ ผู้คนทั้งหลายที่หิวกระหายคือผู้ที่หวังแสดงความหวังในใจอยากจะพ้นทุกมีอยู่ในโลกเนีเพราะนั้นพวกเราเข้ามาอยู่ก่อนแล้วคน ร, รักษากฎกติกาและหลักธรรมพินยัยหรือศีลและธรรมหรือสมัตและวิปัสสนาที่จะทำให้จิตใจหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสอันนี้เราก็เป็นผู้ เขามาอยู่ก่อนเราต้องรักษาจากนั้นเราก็แจกแบ่งให้กับผู้ที่เขามาศึกษาใหม่แต่ถ้าวขาวกผู้ที่เขามาศึกษาใหม่บางคนก็ที่แรกก็ตั้งใจพอต่อมาก็เละเทะเพราะเหมือนกับไปธมาค้าขายแล้วไม่ถูกุดไม่รวยก็เลยผ่านผ่านเป็นเป็นภาลชนเป็น อริชรารจิตาเป็นผู้ไม่ละอายต่อบาปไปก็มีสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะ่าให้พวกเราอย่าได้ทำอย่างนั้นเสียเปล่าประโยชน์เพราะนังกายจะวิเวกจะทำยังไงเพอฉันทั้งหันเสร็จรีบล้างบาทให้เสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็กลับกุฏิเดินยองลมนั่งภาวนาดูศึกษา ในขณะนี้กำลังธรรมเทชนายเราเพิ่งเปิดสถานีวิทยุได้สองสามวันเอาวิทยุเปิดเลยฟังดูลงปูจิ้งทองกำลังเทศอยู่จากนี้ไปถึงเที่ยงต่อไปคงจะเป็นของของใครหลวงปู่ล่าโอกเฉพให้พระวิทยุดูแลเรื่องเครื่องวิทยุก่อนที่จะเข้าสถานีวิทยุบ้านตา อาวหชั่วโมงหนึ่งของหลวงปู่สิงทองหกชั่วโมงหนึ่งเป็นของหลวงปู่ลาห์ชั่วโมงหนึ่งเป็นของหลวงตา6ชั่วโมงหนึ่ ง, ง, ง, ป ง, งเป็นขอ ง, อ ง, ง, งของหลวงพ่อเอาเขบไปเลย เ, เป็นธรรมะพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาแต่เราไม่ใช่ฟังตเตริดเปิดเปิงเตลงเปิงเปิดไม่ใช่เราฟังกันหนึ่งแล้วก็เอาปฏิบัติ เ้วฟังอีกในกันนั้นน่ะหลวงพ่อมั่นใจว่าเราสงสัยที่ตรงไหนธรรมเทศนาตรงนั้นะจะแนะนำสั่งสอนพวกเราท่านทาั้งหลายให้เข้าใจไม่มากกว่าน้อยในเรื่องแต่ละเรื่องที่เรายังข้องใจในใจของเราหลวงพ่อมั่นใจบานย้ำแล้วย้ำอีกว่าพวกเราจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟัง ต้องใช้การศึกษาแต่พวกเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟังจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาไม่มีทางเพราะฉะนั้นโอกาสอย่างนี้โอกาสที่พวกเราจะต้องศึกษาธรรมะเราไม่ได้ศึกษาทางโลกเราไม่ได้ทํามาค้าขายเราไม่ได้ทําอะไรแต่ก็ปล่อยจิตปล่อยใจม้วนสมคุยกันเออเอาเรื่องสเพเฮระมาพูดนั้นเป็ว่าไร้ประโยชน์เปล่าประโยชน์จริงๆในการบวชของพวกท่าน เพราะนั้นสิ่งทั้งปวงที่หลวงพ่อได้พูดให้พวกเราฝัง เ, เวลาจันทยังหานเสร็จแล้วกลับกุฏิเรียบกลับจะไปกละลำกะเลี ย, ยจากนั้นน่ะนวม ก, กายยา่ีเว็ปรีขาบ ม, มุมสงบจากนั้นก็นเดินยังกลมนั่งภาวนาแล้วก็ฟังเทศขณะที่ฟังเทศนั่งสมาธิในการนั่งในการฝังเพราะว่าการ ฟังและการ น, นั่งสมาธิบางครั้งการฟังที่ท่านอ้างเหตุและผลให้พวกเราได้ฟังฟังไปด้วยเข้าใจเข้าใจเข้าใจเหมือนกับครูบาอาจารย์ท่านรู้มรู้ผลรู้หนทางมาก่อนแล้วท่านเดินไปนี่ไปอย่างนี้นะไปอย่างนี้นะเราก็เดินตามหลังท่านไปเรื่อย สมาธิเป็นอย่างนี้นะต้องพิจารณาอย่างนี้นะทำจิตใจให้สงบอย่างนี้นะเราก็เดินตามฟังไปตามนั่นแหละพระในครั้งพุทธการที่ได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพระหารจตสาวกท่านได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลในการขณะที่ฟังฟังอย่างนี้ไม่ใช่ว่าฟัง เออระเหยลอยลงเตริดเปิดเปิงเตลึงเปิดเปิดฟังไปไม่มีจุดหมายปลายทางอันนั้นฟังอย่างนั้นไปว่าฟังแบบไม่มีจุดหมายฟังแบบหลักรอยฟังแบบใจลอยลอยมันไม่เกิดประโยชน์ฟังที่จะฟังมากขนาดไหนเท่านั้นละมันไม่เกิดประโยชน์เพราะฟังไม่ได้จริงจังและจริงใจเพราะนั้นการฟังต้องจังใจฟังก่อนที่จะตั้งใจฟังนั่นเองกายยวิเวกปลีตัวออกจาก หมู่เพื่อนหามุมสงบจากนั้นก่อนเนี่ยนะกำหนด เ, เมื่อหามุมสงบจิตเสร็จแล้วมันก็จิตตวีเวกเให้เข้าไปจิตใจของเราอยู่ในจูเป็นเอกเทศจิตเป็นหนึ่งจิตไม่คล้องแวะกับเรื่องต่างๆอันนี้ว่าจิตตวีเวกเจากนั้นเมื่อเมื่อจิตตวิเวกได้แล้วก็พิจารณา เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาความเกิดแก่เจ็บตายพิจารณาถึงร่างกายสังขารของเราแต่ก่อนเราไม่เป็นอย่างนี้น ะ, ะเป็นเด็กต่อมาเนี่ยมันหนุ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวต่อไปเนี่ยมาถึงจุดนี้ต่อไปก็คงจะเท่าแก่ชราเหมือนกับเราเห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราเนี่แหละอันนี้ก็คือการพิจารณา เมื่อจิตวิเวกอยู่ในความสงบแล้วเรามองเห็นอะไรก็เห็นได้ง่ายเห็นได้หมดเพราะเหตุไดเพราะใจของเราไม่ได้ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับเรื่องต่างๆแต่ถ้าว่าเรายุ่งเหยิงวุ่นเรื่องต่างๆเรื่องผูกทะเลาะกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างอขัดคอกันบ้างอะไรกันบ้างถ้าอยู่อย่างนั้นเนีย่ยจะมาพิจารณาจิจตตวิเวกไม่มีทางเพราะเหตุใดเพราะใจของเรามันมั่วไปทางนั้น เพราะฉนั้นเราต้องกายยัวิเวกจากนั้นเราจิตตะวิเวกอยู่ตามลําพัง เ, เมื่อเราพิจารณาจิตตเวกอุปเทีวิเวกอุปเทิวิเวกก็จะเกิดขึ้นอีกในเมื่อเราพิจารณาเห็นอเนจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ปล่อยวางปล่อยวางที่ไหนปล่อยวางที่ใจใจของเราเนี่ยเป็นเป็นหลักใจของเราเนี่ยเป็น ผู้รู้ผู้เห็นผู้ปล่อยผู้วางารู้แจ้งเห็นจริงมันไม่ใช่ที่อื่นไกลนะเรื่องธรรมของพระพุทธเจ้าเข้ามาจุดนี้เข้ามาจุดใจนี่นะแต่ว่าอย่าทึกอย่าไปคิดว่าใจของเราเนี่ เ, เป็นหลักใจของเราแต่สักว่ารู้รู้แล้วก็เป็นอนิจจังเหมือนกันเป็นทุกขังเป็นอนัตตามันตามไปอยู่ในไตรลักษณ์ทั้งหมดใจตรงนี้เพราะถ้าเราจะไปยึด ถึงใจต่างหากใจก็ไม่ให้ยึดปล่อยวางกระทั่งใจตัวผู้รู้รู้สักสวรู้เห็นแต่สัตว์เห็ น, หนรับทราบแต่ว่ารับทราบไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเพราะกิเลสมันอยู่ในตัวนี่แหละกิเลสราคะมันก็อยู่ในตัวเนี้ยอยู่ในใจโทสะมันก็อยู่ในนี้โมหะมันก็อยู่ในนี้ถ้าว่าเรายังยึดว่าใจเป็นของเราอยู่ะนั่นแหละ เราก็ไม่กล้าทำลายเหมือนกับโดนนักเลงอย่างคนชั่วทั้งหลายเข้ามาแอบอยู่ในใจของเราอีกเข้ามาซ่อนอยู่ในจุดนั้นอีกเราก็ไม่กล้าทาก็ไม่กล้าในเมื่อเรารู้ในหลักได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนักเลงอยู่ในนั้นอยู่ในใจมันก็เหมือนกูอยู่ในถ้ำถ้าคือใจเป็นเป็น หัวหน้านักเรง น, นั่นแหละธรรมะอนิจังทุกขังอนัตตาถล่มเข้าไปเลยนะเนี่ยหนลงไปเลยลุกละเบิดตัวไหนคงทนต่อการพิสูจน์ตัวนั้นแหละถึนจะอยู่จะอยู่ทงต่อการพิสูจน์ขึ้นมาได้เพราะถล่มทลายทั้งตัวครูคือใจจากนั้นกันนะ่เมื่อถล่มทลายลงไป รู้แต่ส่ารู้เห็นแต่สักวาเห็นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะ่มันปล่อยวางทั้งหมดกิเลส ท, ทั้งหลายราคะโทสะโมหะทั้งหลายมันกระจุยระจายออกจากจิตใจจิตใจของเราก็บริสุทธิ์เพราะไม่มีสิ่งเหล่านั้นเข้ามาบัญชาเข้ามาแนะนำมาเข้ามาบ่งการใจของเราข็บริสุทธิ์เนี่ยอันนี้แหละคือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามันเกี่ยวเนื่องกัน แต่ว่าพวกเราคุกคลีไม่รู้จักแยกแยะกายก็ไม่วิเวกจิตจะวิเวกได้อย่างไรเมื่อจิตไม่วิเวกจะพิจารณาถึงธรรมจุดนั้นได้อย่างไรถ้างอุปทิวิเวกจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเมื่อจิตไม่วิเวกเพราะถ้ามันเกี่ยวเนื่องกันเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะผู้มาสนใจฝ่ธรรมะต้องศึกษาต้อง ฝั่งต้องเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเรียนรู้ปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อพูดนั่นแหละมักหรือผลนิพพานมันไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของพวกเรารังขอให้พวกเราท่านทั้งหลายนะเห็นหลวงพ่ออยู่หรือหลวงพ่อไม่อยู่ก็คือ เราต้องเชื่อในกรรมเชื่อผลของกรรมกรรมคือการกระทําหลวงพ่อไม่อยู่ลองลองจับไฟดูสิร้อนไหมหลวงพ่ออยู่จับไฟดูสิมันร้อนไหมนี่แหละหลวงพ่ออยู่แล้วไม่อยู่ทําความชั่วก็ชั่วทําความดีก็ดีเพราะฉะนั้นอย่าไปทําทําไมความชั่วนะต้องทําแต่ความดีปฏิบัติสิ่งที่ดีที่หลวงพ่อได้พูด หาความสงบหาหมุมสงบกา ย, ยวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกจะตามมาพวกเราจะสุขกายสุกใจนะะตอนนี้ไปรับพรอ น, อนุโมทนาให้พร